ปฏิบัติธรรมแล้วภาคภูมิแบบเทียบเขาเทียบเราอันนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าแต่ปฏิบัติธรรมแล้วแย่เหมือนเดิมหรือบางคนถึงขั้นอาการหนักกว่าเกา่ากรรมใดที่ทำให้ปฏิบัติธรรมที่บ้านได้ดีกว่าคารวาทั่วไปในทางโลกคำว่าดีกว่าหรือเหนือกว่า รุงแต่งใจให้เพิ่มอัตตาและยิ่งอัตตาเพิ่มขึ้นเท่าไรเหตุแห่งทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่นิดเดียวเป็นฟืนเป็นไฟไม่ได้อย่างใจก็ได้เป็นเรื่องกันในทางธรรมคำว่าดีกว่าหรือยิ่งกว่ามุง่งเอาความมีอัตตาลดลงและยิ่งอัตตาลดลงเท่าไรเหตุแห่งทุกข์ยิ่งน้อยลงเท่านั้นถูกกระทบกระทั่งให้ออกอาการยาก อยู่ดีๆไม่มีทางวากหาเรื่องใครก่อนนั่นหมายความว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วพองอกพองใจภาคภูมิในแบบเทียบเขาเทียบเราอดเบ่งอดสักดาค่าแน่กว่าคนอื่นอันนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าแต่ปฏิบัติธรรมแล้วแย่เหมือนเดิมหรือบางคนถึงขั้นอาการหนักกว่าเก่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า อรุณรุ่งของการปฏิบัติธรรมที่ได้ผลตรงที่ได้ผลดีคือครูที่สอนตรงครูที่สอนดีอันได้แก่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ผู้สงบจากทุกข์แล้วดับความหยิงพยองแล้วเลิกเทียบเขาเทียบเราแล้วดังนั้นกรรมสําคัญอันดับแรกที่ชี้ว่าจะปฏิบัติธรรมได้ดีไม่ว่าที่วัดหรือที่บ้านคือการตัดสินใจเลือก ยึดแนวทางเพิ่มอัตตาหรือจะตัดสินใจเลือกคล้อยตามแนวทางลดอัตตาแนวทางที่จะลดอัตตาได้จริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือการเห็นกายใจตัวเองเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าเห็นกายใจตัวเองดีกว่ากายใจคนอื่นไมิใช่เห็นว่าภาวะกายใจของนักปฏิบัติธรรมเป็นของสูงส่งเอาไว้เทียบสูงสูงกับกายใจของผู้ไม่ปฏิบัติธรรม หรือกายใจของผู้ปฏิบัติธรรมแนวอื่นกรรมมันเกิดจากการตัดสินใจปฏิบัติธรรมเป็นบุญแต่ตัวการปฏิบัติธรรมเองไม่ใช่บุญทว่าเป็นอะไรที่อยู่เหนือบุญเหนือบาปเป็นไปเพื่อลอยบุญลอยบาปบาปเกิดจากกรรมดำให้ผลเป็นใจดำก่อทุกอันมืดดำเหม็นเนา่าถ้ายังปฏิบัติธรรมในระดับเอาบาป อวดตัวไว้สูงส่งเหนือคนธรรมดาหรือแก่งแย่งชิงดีฟาดฟันกับนักปฏิบัติธรรมด้วยกันเอาอัตตาเขาอัตตาเราเขาว่าได้ดีขึ้นมาแค่นิดเดียวแล้วลืมครูหรือกระทั่งทำตัวเป็นสิทธ์คิดล้างครูอย่างนี้ก็เพิ่มบาปเพิ่มกรรมเพิ่มของดำขุดตัวเองหรือล่อลงเหวได้ทุกเมื่อบุญเกิดจ ก, กรรมเขา ให้ผลเป็นใจขาวยังอาจก่อทุกสีเทาหรือสุขแบบครึ่งดํเครึ่งขาววันไหนรู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีก็เหมือนได้บุญที่หอมหวนวันไหนรู้สึกว่าปฏิบัติแย่ก็เหมือนได้บุญที่หอมหืนดังนั้นตราบเท่าที่ยังปฏิบัติธรรมในระดับได้บุญยึดปีติยึดสุขยึดสมนัตเป็นที่หมายปลายทางมองไม่เห็นว่าปีติสมนัต เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็สะสมบุญเพิ่มของข่าวไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จุดหมายแน่ชัดเหนือบุญบาปเกิดจักกรรมใสให้ผลเป็นใจใสเป็นเหตุแห่งการดับทุกข์ไร้สีไร้กลิ่นทางความรู้สึกไม่ว่าปฏิบัติได้ดีหรือปฏิบัติได้แย่ก็มีมุมมองที่ถูกต้องเป็นหลักชัยเสมอนั่นคือสุขไม่เที่ยง ทุกไม่เที่ยงได้ดีไม่เที่ยงได้แย่ไม่เที่ยงแค่ได้ดูและได้เห็นความไม่เที่ยงเท่านี้ก็นับว่าดีพอแล้วไม่เทียบเขาเทียบเราไม่เอาบุญเอาบาปยิ่งเห็นยิ่งใสใจยิ่งหมดสิ่งห่อรุ่งคลุมบงังเห็นความคืบหน้าเห็นจุดหมายปลายทางเป็นใจใสไร้ทุกข์ชัดเจนขึ้นทุกทีการแอบปฏิบัติธรรมเงียบๆอยู่ที่บ้าน บางทีจึงได้เปรียบการประกาศตัวปฏิบัติธรรมชงฉากนอกบ้านทุกอย่างตั้งต้นด้วยมโนกรรมอันเป็นมุมมองภายในรู้ได้เฉพาะตัวว่าปรัถนาการปฏิบัติเพื่อลดอัตตาตามพระพุทธเจ้าหรืออยากปฏิบัติเพื่อส่งเสริมอัตตามานะักดาตามใคร